ขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริดทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกริดทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูป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 ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นอพยากตาวิบากและที่เป็นอพยกตากริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตะสมุทฐานรูปทำขันสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกตัตตารูปทำขันหนึ่งที่เป็นอพยากตาวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งและกตัตตารูป ทำขันสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและกตัตารูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นห้าทายวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำห้าทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งทำมหาภูตรูปสามให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองทำมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นอคูสน์ทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอคูสน์ทำหทัยวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพญากฤิตรทำสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิตให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุสน์ทำหทัยวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป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 ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลและหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามและหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหาทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตทธทำสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากลิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูป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 จิตตสมุทานรูปทำขันที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น247รสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามและหาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันสองทำขันสองและหาทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตทำสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นอกุศลและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากริตทำสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิต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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันหนึ่งทำขันสามให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสองสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจัจได้แก่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 โสตวิญญาณทำโสตายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นคลานวิญญาณทำคลานายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นชิวหาวิญญาณทำชิวหายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอพยกตาวิบากและที่เป็นอพยากตากริยาทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศล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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพญากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลและหาทายวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงขันธ์สองทำขันธ์สองและหาทายวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น252สภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพญากฤิ ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหทายวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหาทายวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอธิปติปจัยสอง้ยห้าสิบสาสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ละถึง ทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพญากริชทำสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูป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 ทำสภาวธรรมที ites, in, ่เป็นอัพยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจใจได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงขยายให้พิสดารเหมือนเหตุปัจจัยอนันตระปัจจัยและสมนันตรปัจจัย254สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอนันตรปัจจัยเพราะสมนันตระปัจจัย พึ่งขยาให้พิสดารเหมือนอารามณปัจจัยสหชาตปัจใจสองร้อยห้าสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระทมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริษทำสภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะสหาชาตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะภิริรยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงในปฏิสนธิขณะทำมหาภูตรูปหนึ่งที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญสัตยพรมทำมหาภูตรูปหนึ่ง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 เพราะสหชาตปัจจัยได้แก่พันธุที่เป็นกุศลทําัทรเยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึ่งขยะให้พิสดารเหมือนเหตุปัจจัยอัญญมัญญะปัจจัยสองห้าสิหกสภาวธรรมที่เป็นกุศลทําสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญามัญญะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทําสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะอัญญมัญญปั จ, จัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตทธ์ทำสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญะมัญญะปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะกริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงขันธ์สองทำขันธ์สองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามและหทาทัยวัตถุ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 ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุต <oons> ุเป็นสมุทฐานสําหรับเราอสัญญัตตพรมมหาภูตรูปสามทำมหาภูตรูปหนึ่งให้เป็นปัจ sí จ yes, <pound sometimes> <zers> ัยเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองทำมหาภูตรูปสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจักขวิญญาณทําจักขาญตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทํากายายาณะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอัพยกตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกิริยา ทำมหายวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทรมหายวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงขยายให้พิสดารเหมือนอารมณปัจจัยนิจยปัจจัยสองอห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะนิจยปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงขยายให้พิจาราเหมือนสหชาติปัจจัยอุปาณิจยปัจจัยห้าสิสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอุปาณิจยปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลปัจจัยนี้เหมือนกับอารมณปัจจัย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 ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยกตะวิบากและที่เป็นอัพยกตะกริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงขันสองทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปูเรชาตปัจจัยจักขูวิญญาณทำจักกายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยา ธรรมัตยเยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ธรรมัตยยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมทีทท path path มม่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลธรรมัตยยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ธรรมัตยยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาติปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาติปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลธรรมะทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ธรรมะทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาติปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลและหัยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองและหัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะปุเรชาติปัจจัยมาเสวนาปัจจัย260สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเสวนะปัจจัยได้แก่ ทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเจียนวะปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอภิญากริจทำสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเจียนวะปัจจัยได้แก่ขันสามทำขันหนึ่งที่เป็นอภิญากตะกริยาให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันหนึ่งทำขันสามให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นขันสองทำขันสองให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นขันที่เป็นอพยกตะกริยาทำหัตยวถุให้เป็นปันจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำทสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาเจวะปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นกุศลทำหัตยวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ทำสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาศัยวณัปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิสภาวธรรมที่เป็นอกุสนทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาศัยวณัปัจจัยได้แก่ขันธ์สามทำขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศล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 สภาวะธรรมที่เป็นอัพยากริตทำสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่ทำขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกิริยาละถึงในปฏิสนธิขณะทำมหาภูตรูปหนึ่งสำหรับเหล่าอสัญญาสัตตพรมทำมหาภูตรูปหนึ่งกระตะตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น แจกุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายาตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอภยากตวิบากและที่เป็นอภยากตกิริยาทำอภัยวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลทมสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลทำอภยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอกุศลทำอภัยวถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิละถึงสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลธรรมสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะกรรมปัจจัยได้แก่ธรรมขันธ์หนึ่งที่เป็นอกุศลและหาทัยวัตุจิตตสมุทฐานรูปธรรมขันธ์ที่เป็นอกุศลและมหาภูธรูป ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นวิปากับปัจจัย2 6งสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทธรำสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปากับปัจจัยได้แก่และถึงทำขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากในปฏิสนธิขณะทรมหาภูตรูปหนึ่งจากขรวิญญาณทำจากขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น กายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอพยกตะวิบากธทมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นอาหารปัจจัยหกสสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยได้แก่ละถึงทำขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระทำสภาวธรรมที่เป็นอกุศลมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอภยากลิตทำสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิตให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาหารปัจจัยละถึงในปฏิสนธิขณะทำมหาภูตารูปหนึ่งที่มีอาหารเป็นสมุทฐานจะขววิญญาณทำจักขาญตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายยาณะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอพยากตะกริยารมอภัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น บริบูรณ์แล้วอินทริยะปัจจัย264สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอินทริยะปัจจัยละถึงสําหรับเราอสัญญัติพรมทำ ม, มหาภูตรูปหนึ่งจะขวัญวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นกายวิญญาณทำกายายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นอัพญญากระตะวิบาก และที่เป็นอพยกตะกริยาธรำภทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึ่งขยายอินทริยปัจจัยให้พิจารณเหมือนกับกรรมปัจจัยชาณปัจจัยและมัครปัจจัยสองสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะชาณปัจจัยและถึงเพราะมัคราปัจจัย พึงขยายชานะปัจจัยและมัคคะปัจจัยให้พิสดารเหมือนกับเหตุปัจจัยสามประยุตตะปัจจัยหกสิบหกสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะสัมประยุตตปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอารมาณปัจจัยวิปยุตตะปัจจัยหกสิบเจสภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 อธิยวัตุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปะจัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิ่นทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันหนึ่งที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมอทิยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตทธ์ทำสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก hey. ่จิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นผาทัยวัตถุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤตทธ์ทำสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่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 ในปฏิสนธิขณะขันสามและกระตาตารูปทำขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันสองและกระตาตารูปทำขันสองให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมทายวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจใจกระตาตารูปทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจใจทยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ขันธ์ธรรมภัตยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ธรรมภยวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยภัตตายวัตุทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยละถึงทำมหาภูตรูปหนึ่งจิตตสมุทฐานรูปและกระตัตารูปที่เป็นอุปาทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น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 เพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤติดทมสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นกุศลธรรมทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานะรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ธรรมทยวตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัย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 ขันสองทำขันสองและหทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมทายวัตุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิทธทำสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยกฤิให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปทำขันที่เป็นกุศลและมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูป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 สภาวธรรมที่เป็นกุศลทมสภาวธรรมที่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะอาัติปัจจัยอัติปัจจัยพึงแจกเหมือนสหชาตปัจจัยนัตติปัจจัยและวิคตะปัจจัยพึงแจกเหมือนอารมณะปัจจัยอวิคตะปัจจัยพึงแจกเหมือนสหชาตปัจจัย